สำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระอนาคามีมรรคต่อไปเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงพระ อ, อนาคามีมรรคเริ่มต้นได้นิดน้อยอก็จบวันนี้ขอพูดต่อสำหรับอนาคามีมรรคนี่ก็มีอาการฝึกในการตัดการมฉันทะ การตัดพยบบายามบัตรหรือปฏิฆะเรียกความโกรธความพยายามบาทให้หมดสิ้นไปยิ่งการเจริญอารมณ์ให้เข้าถึงการนาคามีผลหรือว่ากา น, นาคามีมกักก็จำที่ต้องรวบรวมกำลังสมาธิจิตให้มีความแก่กล้ามีความทรงตัวมีความเข้มแข็งแต่ถ้าเราจะกล่าวก็ไปว่าถ้าปฏิบัติมตานามดับ กว่าจะถึงพระสิทธาคารมีอาณาสมาธิมันก็เริ่มเข้มแข็งแล้วหรือว่าเพราว่าเราก็ปฏิบัติมาตาบรรดับหมายถึงว่าการที่เป็นพระสิทธาคารมีได้นั้นก็ต้องระ ง, ง, งับมันเท่าความโลภมันเท่าความโกรธมันเท่าความหลง นี่การมันเทาความโลภมันเท่าความโกรธมันเทาความหลงได้ก็เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่แตเรียนน้อยเพียงคีอนี่มาถึงพระอนาคามีตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงอนาคามีผลก็ไม่จบเทวว น, นาคามีมั้งแปลว่าการเดินทางเข้าไปถึงพระอนาคามีผล ส่วนสำคัญอันดับแรกเราจะต้องรวบรงคกาลังสมาธิให้หนักควบ ก, กับอารมณ์ของวิปัสสนาญาณเพื่อเรียสัตว์นั่องแก่พิจารณาร่างกา ย, กากา ย, กายาพี่ารากายคตาจิตทีพิจารณาดูร่างกายประกอบด้วยการสามลิสองมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อ ัะไคร้ไส้กอดอุจาระภัสสาวะอาหารใหม่อายเก่าน้ำเลือดตํำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายเป็นต้นที่เจรนาดูตามความเป็นจริงในด้านสมถะภาวนาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกรปรกขึ้นมาสะอาด ไม่ใช่จะไปนั่งท่องเกสาโลมาณคาทันตาตะจูตะจูธันตาณคาโลมาเกสาอันนี้มันเป็นตัวทําให้จิตเวสมาทิเฉยเฉไม่ใช่กัวตัดก็มาถ่ายกองนี้กายขตานุสติก็ดีแล้วอนุสติทั้งหกทั้ทั้งสิบประกายก็ดีอาสุภกรรมฐานนรื่องสิบประกายก็ดีเป็นกรรมฐานที่เจรณา ไม่ใช่มานั่งภาวนาเปน็นนกแก้วนกขุนทองทาจิตให้ทรงอารมณ์ว่ามันมีสภาพเป็นอย่างนั้นตามความเปนจริง <c oughs> คําว่าทรงฌานในที่นี้ก็หมายความว่าเห็นว่าร่างกายทั้งหมดมันสกรปรกให้ความรู้สึกว่าสกรปรกนี้ให้มันทรงอยู่ตลอดเวลา เวลาหลับตาพิจารณาเวลาลืมตาเวลาเดินไปเดินมาทำอะไรอยู่ให้จิตมันจับอารมณ์นี้จนชินอารมณ์ไม่คลายไปจากจิตเห็นสัตว์เห็นคนเห็นวัตถุไม่มีอะไรสวยเพราะทุกอย่างมันสุปรกหมดาหาสะอาดไม่ได้ดอกไม้ที่สะพรั่งอยู่ในปา่า ในเรืสวนมันมีความสีสวยสดงดงามแต่เขากลใกล้จะรู้ว่ามันมีฝุ่นมีละอองแตกเพิ่อนอยู่ด้วยเกาะอยู่ด้วยมันสกปรกคนและสัตมีสภาวะต่างๆเต็มไปด้ความสกปรกตัวสกปรกนี้ไม่ต้องอธิบายมาก เพราะมันรู้อยู่แล้วถ้าเราไม่รู้มันก็ระยำเต็มทีไม่ใช่เดียวังโง่ของไม่เห็นอยู่กับตัวของเราเองอะไรบ้างที่เราต้องชำระร่างมันอะไรบ้างที่เรารังเกียดในร่างกายของเราที่มันอยู่ในร่างกายของเราเราทำไม่รู้ไม่เห็นแต่มันหลั่งไหลออกมาแล้วเราเกียดชือ่อจาระปัสวะน้ำลายเหงื่อไข้เป็นต้น หรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองถ้ามันหลังไหลออกม า, าเรารงเกียจว่ามันสกปรกนี่สภาพอย่างนี้เรามองเห็นชัดอยู่แล้วนอกจากที่ทว่าจะเป็นเพียงว่าเราไม่สนใจจริงจะไม่เห็นว่ามันสกปรกคำว่าสนใจนี้ไม่ได้สนใจในกรณีพิเศษ สนใจให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงให้การแสวงหาของจริงนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากแค่สัญญามันก็ใช้ได้องจาระที่ถ่ายออกมาสะอาดทั้งสกปรกก็รู้ปัสวะที่ถ่ายออกมาสะอาดทั้งสกปรกก็รู้น้ำลายอยู่ในปากอมได้บนอหัวหมื่นไม่กล้าแต่สะอาดทั้งสกปรกก็รู้ ร่างกายทั้งตัวเมือใครไหล่วมามาส า, าสบทั้งศกก็รู้ <c oughs> ในเมื่อรู้แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้หรือไม่สนใจมันก็เป็นนิสัยของสัตว์ในอบายภูมิเพราอะไรก็ไม่หมดกิเลสไม่หมดตัณหามีแต่ความทุกข์ตลอดกาล นิ่นเนืน่องๆจริ า, ากายยกตานุ่ติโคการสุสันญาอาสุสัน ญ, ญ, ญ, ญาและสุภกรรมฐานนี้มันอันเดียวกันอาสุพัน ญ, ญาาประวัตจได้ว่ามันสกปรกอ่ตลอดเวลาทุกชิน้นทุกส่วนทุกต่อตรางเซนของร่างกายไม่มีจุดไหนที่มีความสะอาด มันมีแต่วความสกปรกโสม ม, มอยู่ตลอดเวลาหาจุดสะอาดจริงๆไม่ได้อันนี้มันเป็นเนื้อแท้ของร่างกายจริงๆนี่นั่งคิดนั่งพิจารณาค่อยควรพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปแกล้งเห็นใช้สัญญาความจำมันต้องจาจำได้ สภาวะที่มันควรจะจำมีเยอะไม่ต้องปปนนั่งหาไล่เดียมัมันเป็นของจริงนี่การเจริญกายกระตานุติกาสุสัญธยและสุพันธายเขาเจริญแบบนี้นน ด, ด้วยขณะใดที่ยังรู้สึกตัวอยู่เรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งของร่างกายและวัตถุทั้งหมดมันสกปรก ถ้าลมสงอย่างนี้แล้วเห็นว่าร่างกายเราสปกปรกร่างกายคนอื่นสปกปรกร่างกายสปกปรกสัตว์สกปรกวัตถุธาตาุต่างๆในโลกไม่มีอะไรสะอาดสกปรกทั้งหมดเรานั่งนึกดีว่าอะไรมันสะอาดบอกด้อย่างนี้มีอะไรบ้างที่มันสะอาดสะอาดที่ไม่ต้องชำระล้างเช็ดล้างมันมีไหม มันไม่มีมันไม่ได้สิ่งสกปรกทั้งหมดนี่เราต้องการความสะอาดจะเราต้องการความสกปรกที่เรามีความรักเรามีความปรารถนาเรามีความต้องการเนื้อแท้จริงๆเราต้องการของสะอาดจะไม่ต้องการของสกปรกแต่แต่ว่าเราก็พบกับสิ่งสกปรกข้าเราต้องการไหม าอารมณ์จิตของเราต้องการก็ก็นํา ม, มาสัหน่อยได้ไหมนะว่าเองอยากเป็นสัตว์นรกหรือยังไงได้อยากเป็นเปรตได้อยากปเป็นอสุรกายได้อยากเป็นสัตว์ปิฎกานเพราะว่าอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์ของพระเดียเจ้าเป็นอารมณ์ของสัตว์ในใาบาภูมิมีทัญญา จำได้มีความจำแต่ว่าไม่สร้างความจำให้เกิดมีตาทำเหมือนว่าไม่มีตามีหูทำเหมือนว่าไม่มีหูมีจิตสําร็จจะคิดจะจามันมก็ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักจำอาการอย่างนี้มันไม่ใช่อาการของคนหรือว่าไม่ใช่อาการของเทวดาหรือผมหรือว่าไม่ใช่อาการของพระอา้า มันเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นากายของสัตว์นรกหรือว่าเปรตอาศุรกายสติริชานถามใจไว้ว่าพอใจที่จะลงนรกไหมที่ยังมัวเมาอยู่ในโลกกายของคนหสัตว์ความมัวเมาอย่างนี้มาเป็นตัณหาเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เป็นปัจจัยเกิดฝ่าทางความยึดมันม่นถือมั่น เมื่อยึดมั่นที่มั่นปร่างกายเป็นเราเป็นเพราเราขอสกปรกเห็นว่าสะอาดของไม่สวยเห็นว่าสวยของที่มีสภาพที่สุดสมเป็นปกติมองไม่มองเห็นตามความเป็นจริงทีดว่ามันมันทรงตัวอาการอย่างนี้มันเป็นสภาวะของจิตที่จะต้องตกไป็นล า, ายภูมิเพราะว่าไม่มีความผ่องใสของจิต ถ้าหลงอยู่ในรูปอย่างนี้ของเลวเห็นว่าเป็นของดีของสกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดจิตไม่ก็เศ้าหมองจิตเศร้าหมองไปไหนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสังหิิเททุกขกิจาติกังขาเมื่อลมจิตเศร้าหมองตายแล้วก็ไปอบายกุมทําไมจึงว่าเศ้ามองเพราะว่าเราคิดว่ามันดีนี่ เวลาใหม่ๆ ม, มันก็ผ่องใสสดสวยงดงามแต่ว่าทั้งๆ ท, ท, ที่มันผ่องใสยอยู่นั่นแหละมันก็นแสดงการสกรปรกอยู่ตลอดเวลาหาอะไรดีไม่ได้แต่เราไม่มองที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาใยอะไรเป็นสำคัญความโง่ไม่ใช่โง่อย่างเดียวบ้าด้วย ว่าคนโง่มันก็มีพอยใช้ปัญญาก็พอมีปัญญาเป็นเครื่องคิดก็มีสัญญาเป็นความจำคนโง่นี่ยมันไม่โง่ทั้งหมดมันโง่แต่บางอย่างเท่านั้นแต่สิ่งที่ลับมีความละเอียดคนโง่อาจจะคิดไม่ถึงแต่ว่าร่างกายของคนเราสกปรกมันเป็นของไม่อยากที่คนโง่จะมองมองมเห็นมองเห็นได้น่าสกปรก แล้วเราติดใจว่ามันสะอาดนี่ไม่ใช่โง่คณโง่เป็นคนบ้ารว่าไอ้ของสกปรกว่าสะอาดแต่มันคนโง่เขาไม่พูดคนบ้าเท่านั้นถึงจะพูดถ้ารมเรามีความบ้าไร้สติสัมผััญญาไม่มองหาตามความเป็นจริงแล้วก็จงถามมันว่าไปไหนใจมันเศร้าหมองมันก็ยอมยึดถือ เวลามันสุดทรงกข้มาจริงเราเสียดาเสียใจเวลาจะพังจะสลายตัวเราเสียดาเสียใจไม่อยากพังสลายตัวนี่กฎธรรมดาของร่างกายมันมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นมีความแปรผันเป็นธรรมดามีการสลายตัวเป็นอันดีสุดนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่ว่าคนบ้านี่ยมีควาทานยึดมั่นแบบร่างกายมันจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา จะต้องมีความเปล่งปลั่งอยู่ตลอดเวลาจะต้องไม่มีการทุดโทรเจะต้องสะอาดตลอดเวลาแต่ความจริงมันสกปรกนี่มันจะทรงตัวได้ไหมมันก็สรงไม่ได้มันขึ้นไปหาความเสื่อมเพราะเสื่อมกลับแก่ขึ้นมาเกิดไม่สมบายใจเอนี่เราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นไป เกิดกุญนงานหูว่าตาฟางกำลังไม่ดีความจําเสื่อมเดือดร้อนเพราะไม่ยอมรับตัองีว่ามันจะแก่นักเข้านักเข้ามันแก่นานๆเข้าอาการชิเกิดขึ้นเอาแก่ไม่เป็นไรข อ, อย่าให้ตายก็แล้วกันนี่ยังจะทวงตอบอีกร่างกายมันสูงได้ไหมคนกดธรรมดาก็มันจะต้องตายแล้วทาไมจะไปห้ามมัน ห้ามันก็ห้ามเมยได้นี่คนดีแล้วว่าคนโง่เขาไม่คิดอย่างเนี้ยคนดีคิดแบบนี้คนบ้านท่านั้นบ้ากินเลสบ้าทันหาบ้าอุตาบาทานบ้าเอโกศลหรือบ้าทําในความที่ไม่ดีอโกศนหรือว่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ตรงตามความเป็นจริงนี่พูดแบบนี้ก็พูดแบบว่าพระพุทธเจ้าบอกอัตนาโจทยัตตานัง จงกล่าวโทษโจย์ความชั่วของตัวไว้เสมอนี่จำกัไหมเนะี่ยอย่าให้มีอะไรมันพลาดของอีกนี่พูดกันทั้งปีนะพาสิบทนี้มองแต่ตัวไม่ต้องมองชาวบ้าน้รู้กฎรู้ระเบียบว่าเราเป็นอะไรเนนะระเป็นสมณะเจ้าพูสงบ ถ้าจุนจานมันก็ไม่ใช่สมณะแล้วเป็นเป็นสัตว์นาบายาคูเราเป็นพระแปลผู้เผยเสด็จจิตเร็ววาจาเรวใจเร็วมันก็ไม่ใช่พระเป็นสัตว์นาบาในในรกน้องตอนี้สติสมัญญาของเรามีพิจารณาหาความจริงว่าอันี้มันร่างกายมันมั่สกบสงเป็นสมถะ เรคิดว่านอกจากจะสกปรกแล้วมันไม่มีการส่งตัวถ้าเป็นคนก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงมันไม่เชี่งเอาอกเอาใจมันทุกอย่างมันต้องการเปรี้ยวต้องการเค็มต้องการหวานต้องการเย็นต้องการอุ่นต้องการเครื่องแต่กายสวยสดงามหาให้มันทุกอย่างอยากจะอยู่บ้านแบบไหนจะนอนแบบไหนจะกินแบบไหน บริหารกายแบบไหนหายให้มันทุกอย่างขอไม่ให้มันแก่ขอไม่ให้มันตายขอไม่ให้มันป่วยมันยอมรับสักทีไหมมันเชื่อเราหรือเปล่ากรเปล่าไม่มีอะไรที่มันจะเชื่อเรานี่เป็นน้ำว่าถ้าไอ้ร่างกายที่มันมันเป็นเพื่อนที่รักของเราเราก็คบไม่ได้ต้องเลยคบมานานแล้ว อันนี้ทาร่างกายนี้แหละเราควรจะคบมันต่อไปไหมมันมีอะไรบ้างในสภาในคุณสมบัติหรือว่าสภาวะของมันหนึ่งเห็นว่าสกปรกเป็นปกติสองเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ทุกตัวไหนทุกตัวต้องเลี้ยงตลอดเวลา สามเลี้ยงแล้วมันก็ไม่จําให้มันทรงตัวมันก็ไม่ท่งตัวมันมีการสลายตัวไปในท่สุดนี่พิจารณาหาความสงบรกจนกระทั่งเกิดนิพิทายานต้องทำให้ถึงนะไม่ใช่จะมานั่งฟังเฉย คำวันิพิทายานีิมิความเบื่อนหน่ายเห็นน่ารักกายสุขกร่างกายเราร่างกายไทยคนอื่นเหมือนกันหมดยาวตาไปติดที่เครื่องอ้าพรยาวตาไปติดที่แคบผิวหนังตามองไปเจอเอ้าพรเครื่องประดับภาพพรรู้สบายด้วยถ้าผิวหนังใจนึกล้วงลงไปภายในของร่างกาย มองเข้าไปหาความจริงว่ามันสะอาดและสงปภพไปเห็นคนเห็นสัตว์นึกแบบนี้และก็นึกถึงตัวเองด้วยมันมีสภาพอย่างไรเมื่อจิตใจทรงเห็นเห็นว่ามันมีสภาพสุขภพเป็นปกติเห็นคนเหมือนกับถงอุจาระเคล่อนทีนี่ไม่ต้องมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่เป็นั่งภาวนากันนั่งพิจารณา กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่แค่เวลานั่งห ล, ลับตานั่งหลับตานี่ถ้าอารมปกติมันไม่ทรงตามนี้ไปหลับตา ม, มันก็ไม่ได้อะไรมันหลับทรงเดชเพอเดี๋ยวคิดโน่นคิดนีดน่พล่านไปหมดมันจะได้สร้างความยุ่งสร้างความเดือดร้อนนี่ยถ้าดีกันสมบูรณคิดอย่างนี้สมบูรณ ก็คุมกำลังใจของไอ้ตนเองทั้งหมดมันไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนอะไรกันมันมีแต่คนดีทั้งหมดไอ้ที่เลวนั้นแสดงว่าไม่มีไม่มีนิสัยความความเป็นคนมันมีนิสัยเป็นสัตว์นรกเป็นประจำนี่เมื่อคิดถึงจุดนี้แล้วเราก็นำมีภัสนายานตัวสำคัญเข้ามาใช้ ว่าไอความอยากมีร่างกายเราอยากได้ร่างกายบุคคนอื่นมาประคับประคองการทะนุถนอมร่างกายนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันสุขกัทุกข์ด้วยมันทุกข์ด้วยหันเข้าไปจับสกายะกายสกายะทิกติตัวนี้ตั้งพวกกันเลยท่านสมเด็จธมวิปัสสนาตุคโทตานบอกแล้วนี่ว่า พระานาคามีต้องมีอทิจิตสิกขาอาทิจิตสิขาคืออารมณ์เป็นฌานทรงอารมณ์เห็นสภาวะอย่างนี้ตามความเป็นอยูจริงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เวลานั่งหลับต า, าเวลานั่งหลับตาไม่ได้ผลอะไรทรงจิตอยูวอะไรากายคนแลสัตว์สุขภพเห็นตามความเป็นจริงมันถึงนึกทรงเด้ด แล้วก็มาเจ็นนาตามสภาวะของปัน า, ยาัยานมาเล ร, ร่างกายเราก็ดีร่างกายคนด้วยดเองก็ดีมันสุขปกบหน้ารังเกียรรังเกียตสมผัช่นหน้ารังเกียรไมในเกียรติจริงอารมณ์การมันชันทะาถูกกดลงไปด้วยอำนาจของสมถภาวนาะเมื่อหนายไม่มีความรู้สิกรักในเพศแต่ระวังตัว น, นี้มันยังไม่ถึงขั้น มันโผลม่มาได้ตอนนี้ก็ประหัดประหารเรื่องหน้าท้องศาสนาใหญ่คือากาสกายติพิทว่าร่างกายนี้นอกจากสุกปรกแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรามันเป็ น, นเพียงธาตุสีธาตุน้าําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่แสญสุกรกแล้วไม่มีการทรงตัว มันมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นเรื่องมีความเสี่ยงเป็นธรรมกลางมีการสลายตัวไปในสุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกอย่างไม่ได้เคยร้องความสุขมาให้ใจเราเลยเมื่อมีร่างกายตับงัตเกิดถึงมันตายหาความสุขหนึ่งวินาทีไม่ได้มันสร้างสารรค์แต่ความทุกข์ตลอดเวลาฉะนั้นนับแต่บัดนี้เป็นตน้นไปเราจะไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีก จะไม่มัวเมาร่างกายอย่างนี้ต่อไปอาการใดๆที่จะพึงเกิดขึ้นกับร่างกายเราถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ทาจิตหวัดวันจักรอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่จะพึงเกิดเข้าร่างกายเดี๋มันกระทบอารมณ์ใจโรยมันไปตามสภาวเจ็บป่วยรักษาเพื่อเป็นการบรรเทาเวทนามันหายก็หายมันจะตายก็ช่างมันเป็นเรื่องของมัน นี่เป็นนว่าถ้าจิตส่งอาการอย่างนี้ได้มันจะแก่ก็ช่างมันจะป่วยก็ช่างมันจะตายก็ช่างมันจะเป็นลมเป็นแรงมียากินก็กินไม่มียากินก็นอนไป่ใช้ใช้ช่างมันไม่สนใจกับมันอีกอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขารเปิดา ย, ยานแล้วทรงอย่างนี้ให้ได้ดึกขาด โดยไม่มีการกำเริกกลับมาพอใจในรูปสมนมพันของเราทั้งเขาต่อไปอย่างนี้เทนีว่าท่านาคามีมัคเบืองตนยังไม่หมดมัคเป็นทานาคามีมัคเบืองตนคือตัดการมฉันทะได้ด้วยอาการอย่างนี้ในอย่างนี้ที่พูดไปแล้วจะไปวางทิ้งกันนะพูดให้ปฏิบัติกันอย่าไปรุ่มรามเข่าแ้ารุ่มรามเข่ามันจะไม่มีโทษแต่ปัจจุบัน อาเวจีนี้ที่เป็นที่ไปสำหรับเราอาต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามบทิยาสาย่นกว่าเจดีในสัญญาณบอกหมเวลา